คอลัมน์เตรียมสบียงไว้เลี้ยงตัวตอนที่129ถามเทวดาประจำตัวมีจริงหรือเปล่าคะตอบถ้านึกถึงเทวดาเดินตามต้อยๆไปคอยเป็นองครักษิตาคุณตลอดเวลาแล้วก็แบบนั้นไม่มีหรอกครับลองคิดดูถ้าใครสักคนสู้อุตสาห์ทำบุญจนเกินมนุษย์ธรรมดาถึงขนาดตายไปสวยสวรรค์ได้ สุดท้ายเบื้องบนตกรองวัลโดยให้มาเป็นบอดี้การ์ดคุ้มครองมนุษย์ตลอดเวลาค่าจ้างค่าอ่อนก็ไม่ได้รับกับใครเขาอย่างนี้จะเป็นเทวดาไปทำไมล่ะครับเป็นคุณจะเอาไหมถ้าทำบุญแทบตายแล้วต้องไปกินบุญด้วยการเป็นเงาตามสิ่งมีชีวิตที่สักต่ำกว่าอย่างเช่นลิงข้างบางชนีหากตอบว่าไม่เอาเทวดาก็คงไม่เอาเหมือนกัน และหากบอกว่าไม่เห็นจำเป็นเทวดาก็บอกว่าไม่เห็นจำเป็นเช่นกันฉันใดก็ฉันนั้นเลยครับอย่างไรก็ตามการช่วยเหลือเกื้อกูลข้ามมิติภพภูมินั้นเป็นไปได้ครับทำนองเดียวกับที่คุณอยู่ในภูมิมนุษย์สามารถยื่นมือไปช่วยเหลือสัตว์ในภูมิเดรัจฉานได้ตั้งแต่สัตว์เล็กอย่างมดไปจนกระทั่งสัตว์ใหญ่อย่างปลาวานโดยที่การช่วยเหลือ อ, อาจมาในรูปแบบต่างเช่น หยิบยื่นสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นการช่วยชีวิตพวกมันเรากับปาฏิหาริย์หรืออาจมาในรูปของการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมที่กำลังย่ำแย่หรืออาจมาในรูปของการนำพวกมันมาผสมพันธ์กันป้องกันการสูญพันธุ์และอีกมากมายพวกมันรับรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ไม่รู้เลยว่าเป็นฝีมือของคุณพวกเราก็เหมือนกันวันๆได้แต่ดุ่มเดินไปตามยถากรรมรับรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นเฉพาะหน้า แต่ไม่รู้ว่าเป็นการบันดาลของอะไรระหว่างความบังเอิญกรรมเก่าหรือเทวดาว่ากันถึงความบังเอิญคุณจะยิ่งทึ่งในโลกและจักรวาลมากขึ้นถ้ารู้ว่าความกระทบกระทั่งดีร้ายทั้งหลายไม่เคยบังเอิญเลยสิ่งมีชีวิตวัตถุอากาศและการเวลาต่างรวมกันถักทอเหตุการณ์ตามจังหวะการให้ผลของกรรมเสมอยกตัวอย่างเช่นคุณเดินไปเดินมาอยู่ในบ้านว่าง นึกว่าคุณเป็นเอกเทศอยู่ตามลำพังอยากก้าวเท้าไปที่จุดไหนในเวลาใดก็ได้ความจริงคุณอาจทำหน้าที่เหยียบมดชะตาขาดให้ตายดับโดยไม่รู้ตัวในวินาทีใดวินาทีหนึ่งณนะจุดใดจุดหนึ่งเท้าคุณเป็นวิบากของเหล่ามดกลุ่มดังกล่าวทำหน้าที่เครื่องประหารส่งไปเกิดใหม่ตามเวลาอันควรของพวกมันเมื่อใดคุณเข้าใจความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างสิ่งมีชีวิต วัตถุอากาศและการเวลาเมื่อนั้นคุณจะทราบว่าแม้ความบังเอิญก็มีเหตุบางอย่างของมันเสมอว่ากันถึงกรรมวิบากแม้หลายคนจะเชื่อว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแต่เมื่อได้ดีหรือได้ชั่วแต่ละครั้งก็จะงงๆว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรกับทั้งมองออกนอกตัวไปเพ่งโทษว่าเป็นความผิดของมนุษย์ด้วยกันเสมอเรียกหาความยุติธรรม เพื่อเอาผิดเอาถูกจากมนุษย์ด้วยกันเสมอจะมีสักกี่คนที่พูดออกและบอกถูกว่าเหตุการณ์ไหนไหลมาจากกรรมอันใดของตนว่ากันถึงเทวดาพวกเราในโลกมนุษย์นี้มีจำนวนไม่น้อยเลยครับที่สัมผัส พ, พลังต่างมิติด้วยจิตอาจจะได้กลิ่นหอมแปลกอาจจะได้ยินเสียงพิเศษหรือบางคนอาจเห็นความผิดปกติของเหตุการณ์บางชนิดแล้วทราบทันทีว่าเป็นการแสดงนิมิต ด, ด้วยฤทธิ์ของเทวดา แต่สัมผัสเทวดานั้นแม้จริงก็ใกล้เคียงกับอุปาทานมากเช่นสายลมโชยกลิ่นหอมรื่นอาจเป็นลมธรรมดาที่หอบกลิ่นดอกไม้มากระทบจมูกแต่จิตคุณปรุงแต่งไปว่าไม่เคยได้กลิ่นอย่างนี้มาก่อนที่ไหนในโลกต้องเป็นกลิ่นทิพของเทวดาแน่ๆของแบบนี้ถ้าให้แน่จริงต้องมีตาทิพอันคู่ควรกับการเห็นสภาพทิพเมื่อมีตาทิพคุณจะพบว่าอากาศว่างหลายๆแห่งไม่ว่างจริง ต้นไม้ใหญ่หลายๆต้นไม่ได้มีแค่กิ่งใบโลกทิพย์จะปรากฏต่อหน้าโดยไม่ต้องรอได้ยินได้กลิ่นหรือได้สัมผัสอะไรแปลกๆเสียก่อนเลยด้วยซ้ำคนในโลกส่วนใหญ่พร้อมจะเชื่อว่าเหตุการณ์ดีร้ายต่างๆเกิดขึ้นจากความบังเอิญหรือไม่ก็เทวดาบันดาลเพราะไม่ต้องมีตนเองเข้าไปรับผิดชอบเหมือนให้เชื่อว่าเป็นผลจากกรรมเก่าของตนแม้คนที่ศรัทธาก ร, รมวิบาก ก็มักเลือกเชื่อเฉพาะเมื่อเกิดเรื่องดีๆว่าเป็นเพราะบุญเก่าของตนบันดาลส่วนเรื่องร้ายๆของตัวนี่จะหาแพะเพ่งโทษเอาผิดกับมนุษย์ด้วยกันหรือไม่ก็โบยให้ความบังเอิญและเทวดาเป็นต้นเหตุไปไม่อยากเชื่อว่าตนเคยทำบาปอันใดไว้จึงต้องมาเผชิญทุกข์อย่างที่กำลังเป็นเมื่อโทษความบังเอิญหรือเทวดาอะไรๆจะอธิบายง่ายไม่ต้องเหนื่อยพิสูจน์ให้ยาก แค่ทำใจเชื่อก็ใช้ได้แล้วนึกว่ารู้จริงแล้วและด้วยความไม่รู้จริงหรือรู้ครึ่งครึ่งก ล, งกลางๆนี่เองเป็นเหตุใกล้ให้คนจำนวนมากเชื่อเรื่องเทวดาประจาตัวเป็นเทวดาประเภทที่คอยประกบติดคุ้มครองคอยโดนใจหรือกระทั่งคอยโดนเหตุการณ์ดีร้ายต่างๆให้เกิดขึ้นอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันมาทำความเข้าใจให้ชัดเจนดีกว่าครับ เริ่มกันที่ความจริงอันเป็นต้นเขาเราต้องทราบว่าเทวดาก็เป็นสัตว์สังคมเช่นเดียวกับมนุษย์พวกท่านมีเพื่อนมีสามีมีภรรยามีเจ้านายมีบริวารที่รักและผูกพันกันแม้เมื่อญาติมิตรจุติจากสวรรค์ลงมาเกิดในมนุษย์โลกแล้วก็ยังอาลัยอาวร์อาจคอยสอดส่องดูด้วยความห่วงใย เกรงญาติมิตรของตนจะประสบทุกต่างๆนานาหรือพลาดท่าเสียทีให้กิเลสทำบาปทำกรรมอันเป็นเหตุให้ต้องพลัดไปสู่อบายภูมิได้วิธีสอดส่องของเทวดานั้นถ้าเทียบให้ใกล้เคียงก็คงคล้ายมนุษย์อาศัยอินเตอร์คอมในการฟังเสียงลูกน้อยจากอีกห้องหรือใช้กล้องวงจรปิดในการสังเกตพฤติกรรมของฝูงสัตว์เลี้ยงจากที่ไกลต่างแต่ว่าเราเทวดาส่วนใหญ่มีวิธีการรับรู้อันเป็นทิป รู้เรื่องไกลตัวได้โดยไม่จําเป็นต้องพึ่งอุปกรณ์ไฮเทคทั้งหลายเพียงด้วยความห่วงใยมีใจผูกพันอาทรก็จะรู้ขึ้นเองเมื่อเกิดเรื่องร้ายกับญาติมิตรของตนที่ไปเกิดในมนุษย์โลกเมื่อเกิดเรื่องร้ายกับญาติมิตรในโลกเทวดาก็หาได้สามารถช่วยเหลือไปหมดทุกเรื่องส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการดนใจหรือโน้มน้าวจิตของญาติมิตรให้เปลี่ยนจากอากุศลเป็นกุศลเช่นเมื่อญาติมิตรกําลังโมโหโกรธาจัดจัด เทวดาก็อาจแผ่เมตตาช่วยบรรเทาความรุ่มร้อนในจิตใจ ญ, ญาติมิตรให้เยือกเย็นลงทํานองเดียวกับบรรดาพระภิกษุผู้มีพลังเมตตาสูงสูงหลายรูปสามารถรวมตัวกันแผ่กระแสะความสุขให้ญาติโยมที่มาประชุมกันระงับความทุกข์และความฟุ้งซ่าน ล, ลงได้ชั่วคราวเพียงเข้ามาอยู่ในลรแวกใกล้ ตัวแปรในการโดนใจมีหลายระดับขึ้นอยู่กับฤทธิ์ของเทวดาเองประกอบกับที่ขณะหนึ่งหนึ่งกิเลสหรือวิบากของมนุษย์ห่อหุ้มอยู่หนาแน่นเพียงใดด้วยหากมนุษย์กำลังโทสะแรงกล้าหรือกำลังมีวิบากเมื่อคลุมจิตมิดเม้นให้เห็นผิดรุนแรงแม้เทวดาริษมากก็โดนใจไม่ไหวการดนใจยังมีหลายเหตุผลและไม่จาเป็นต้องเคยเป็นญาติมิตรกันในชาติใกล้เสมอไปเช่น ในมหาปรินิพพานสูตรส่วนที่ว่าด้วยการสร้างเมืองที่ปาตะลิคามก็กล่าวไว้โดยใจความสรุปคือพระพุทธเจ้าตรัสด้วยพระองค์เองว่าท่านได้เห็นด้วยทิพจักสุขอันบริสุทธิ์ล่วงจากสุขของมนุษย์ในการที่เทวดาเป็นอันมากนับเป็นพันๆหวงแหนพื้นที่เขตต่างๆในปาตาลิคาม 1. เทวดาผู้มีศักย์ใหญ่ห่วงแหนที่ในส่วนใด จิตของพระราชาและมหาอัมมาศผู้มีศัก์ใหญ่ก็น้อมไปเพื่อจะสร้างนิเวศในส่วนนั้น 2. เทวดาชั้นกลางห่วงแหนที่ในส่วนใดจิตของพระราชาและอัมมาศชั้นกลางก็น้อมไปเพื่อสร้างนิเวศในส่วนนั้น 3. เทวดาชั้นต่ำห่วงแหนที่ในส่วนใดจิตของพระราชาและมหาอัมมาศชั้นต่ำก็น้อมไปเพื่อสร้างนิเวศในส่วนนั้น กล่าวสรุปโดยย่นย่อคือพระพุทธเจ้าทรงยืนยันว่าพื้นที่ส่วนต่างๆของโลกไม่เหมือนกันถ้าบุญไม่พอก็อยู่ไม่ได้หรือมีเทวดาดนใจให้ไปอยู่ที่อื่นที่เหมาะกับวาสนาบารมีของแต่ละคนโดยที่เทวดาไม่จําเป็นต้องเป็นเทวดาประจําตัวแต่อย่างใดหากคุณมีประสบการณ์ผ่านเข้าไปในหมู่บ้านโจรที่เล่นศิยศาสตร์มืดก็คงเคยรู้จักกับกระแสะยะเยียบทมินชวนขนลุกอย่างประหลาด อันนั้นอาจเป็นคลื่นจิตของวิญญาณชั้นต่ำปนปนกันทั้งคนทุศีลและเปรตดุที่อาศัยอยู่ในบริเวณเดียวกันคนดีที่เข้าไปจะเหมือนแกะขาวที่ถูกแกะดำหมั่นไส้นอนหลับอาจถูกรบกวนด้วยเรื่องหน้าขนพองสยองกล้าวเอาได้ส่วนถ้าคุณมีประสบการณ์ผ่านเข้าไปในเขตวัดที่มีอริยาเจ้าพำนักก็คงเคยรู้จักกับกระแสความอบอุ่นสว่างสวยัยปลอดโปร่งราวกับอากาศว่างเบา แผ่ขยายออกไปอย่างไร้ขอบเขตอันนั้นอาจเป็นคลื่นจิตของวิญญาณชั้นสูงปนปนกันทั้งมนุษย์ทรงสีลทั้งเทวดาผู้มีพิมานซ้อนกับเขตวัดทั้งเทวดาบุญญาธิการสูงเหนือโลกที่หมั่นส่งใจลงมาบูชาพระอรหันต์คนดีไม่พอที่คิดเข้าไปอาศัยวัดหลับนอนหรือปฏิบัติธรรมชั่วคราวอาจถูกกระตุกขา หรือได้ยินอะไรแปลกๆเพื่อเตือนสติให้ขยันขึ้นกว่าเดิมไม่นอนขี้เซาเหมือนเดิมโดยรูปแบบการเตือนนั้นอาจทำให้เกรงแต่ไม่ก่อให้เกิดความรู้สึกสยดสยองพองขนเหมือนตอนเจอวิญญาณชั้นต่ำสรุปคือนอกจากคำว่าเทวดาประจําตัวซึ่งคุ้นๆกันแล้วยังมีเทวดาประจําที่อีกด้วยรูปแบบความเกี่ยวข้องกันระหว่างเทวดากับมนุษย์ อาจมาทั้งในรูปของการดนใจการปกป้องตลอดจนการสกิดเตือนตรงๆหากจูจูคุณรู้สึกหมืนงงหรือรู้สึกเหมือนถูกบล็อกความคิดให้ตีบตันโดยเฉพาะขณะต้องทำบุญหรือทำบาปอันขัดแย้งกับตัวตนเดิมมากๆก็เป็นไปได้ครับว่ามีความเกี่ยวข้องกับพูดผีปีศาจหรือเทวดานอกตัวจะส่วนใหญ่จะเป็นเหตุภายในเช่น ความบกคร่องทางกายหรืออาจเป็นความขัดแย้งกับสภาวะจิตใจเดิมๆเท่านั้นเองและไม่ว่าจะเชื่อเรื่องภายในหรือภายนอกการฝึกมีสติให้เข้มแข็งต้านทานบาปและหันมาต้อนรับบุญทั้งปวงนับเป็นนโยบายอันควรยึดถือเป็นที่สุดแถมอีกหน่อยเป็นการทิ้งท้ายวิญญาณที่ผูกกรรมสัมพันธ์บางอย่างกับมนุษย์ต้องคอยติดตามมนุษย์นั้นมีอยู่จริง แต่เป็นกรณีที่เกิดขึ้นได้น้อยมากระดับหนึ่งในพันหนึ่งในหมื่นคือต้องเป็นเหตุผลพิเศษจริงๆเช่นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอธิษฐานผูกติดกับอีกฝ่ายอำนาจการอธิษฐานที่แรงพอจะทำตัวเป็นเสมือนเชือกโยงให้ต้องติดตามไปทุกผลทุกแห่งเมื่อหมดกำลังส่งของแรงอธิษฐานหรือเมื่อฝ่ายมนุษย์เปลี่ยนแปลงตนเองเป็นคนละคนเงาตามตัวก็จะจาไม่ได้ ต้องหายไปตามหมทางของเขาเองครับอย่าใหลองดูเรื่องกันคือการกระทังของเธอได้คิดในใจอาจคอยสมคลไหร่ไร่อาจลึกลับ